สานิสตาเทโชตุอรหะตุสัมมาสัมพุชฌาตระหนิพาเนตุปัจจายาเตวิสังวัชรุตระสังจะเตาสิกานิโชวสังวัชระเสหกานิอติกันตานิปจุปันนิ迦วัเธนะสุลลาธรรมมาสกัส วาตวิติมังติมังวารวเสนตนะสุครวารโหติเอวังตัสสะวสวะตอริมิพานาชาสันาหยกาละทนานาสำลักทิจตภัยอ สุขะนัมสนุราพุทธเจาสนนาจุกานจำเดินแต่วันปริฆทานแห่งองค์สมเด็จพระพุทธมารณราหัตสัมมาสัมพุตเจ้านั้นบัดนี้ล้นแลเดี๋ยวสองพันห้าร้อยย่ามนสาม รวลาตอยุคบรรดาสมัยตุลาคมมาว่าตุรินยุยี่วันสุกวันนี้เส้นตัดจุบันมาวานเราผู้เจ้าเส้นมาอยู่ารจนเดินแต่วันปริมิตทานให้องค์สมเด็จเจ้ผู้มีพระค่าเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธมดยสัตเจื้อพึงํำหนดนับได้ด้วยพรยก้าและเจนีย นัโมตจักสุวัตุอรหัตตมัจฉุพุทธะนักโมตจักสุวัตรหตมจพุทธะนักโมตักสุวัตุตะกโตจกสัอัมพุทธะสัมังสติวิภัตติส ในโอกาสวันนี้อาตมาภาทศนันไดของพระสัทธรรมเทศนาในกรรมมีดาชาเพื่อเป็นเครื่องสวดสรงองค์พระธาบารมีทิวนาสนุชราทานบริดทังหลายได้ร้อนใจกันมาบำเพ็ญกุผลวันออกเวรสาในวันนี้ทั้งนี้กล่าวว่าวันดาทชนพุทธบริษัททั้งหลาย ได้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จเจ้าจามัยพระมุทสา ส, าสันดาลสัมมาสัพพิตตญาณเป็นเหตุที่ได้มาปฏิบัติเป็นบลำพิงดูผลการคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกในเทศในวันนี้ตอนที่ไดกล่าวโดยธรรมบทพวกเจนะเจถาอา น, นิสงส์ต่างๆแล้วเข้าใจว่าปัรดาต่้งพุทธบริษัททั้งหลาย ฟังมาแล้วจนกินกะจ้ว่าโดยเฉพาะอย่างนี่งในวันนี้คือว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเทศเทวโหณะสุเป็นวันที่องค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จรงจากสวรรค์เช่นดาวดึงสู่เมืองประตูเมืองทั้งกัตตินครฉะนั้นว่าตามโดยในสมัยนั้นวันนี้องค์สมเด็จพระจินดาวน์โดยนักาสร์เชนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังช่อว่าอยู่ที่บรรดุกำพลปีละอายคงท้าโกศิสกตกิวราชนี่เทศทั้วันนั้นไื่เทศวันนี้นะใจ้าหน้านี่ยจะเล่ามาตักคอเขาไม่ได้เทศโคศิโลกุตเจ้านิพานไปนานแล้วฉันเทศทั้งวันนั้นเนี่ยมันว่า เ, าาเาไป็นนาคานาคาที่แ้งนั้นหมายถึงว่าในวันนั้นใอเดือนเวลานั้นวันนี้พระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ชึ้นดาวลิงกษัริยโลก วันนี้ไปอย่าเลยข อ, อนำเทศตอนหนึ่งพระองค์สมเด็จเจสัมมาทิพย์บริเจ้าที่อยู่บนดาววดืนสัว์เทวดนโลกมาเทศน์แบรรดาท่านผูรบริสัทธฟังในการที่องค์สมเด็จเจสัมมาทิพย์บเจ้าขึ้นไปแสดงพระธรรมปูชนานาในคราวนั้นก็มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งคือว่ามีเทวดาท่านหนึ่งไปจนเทวดาได้าจากบาปอ ก, กุศลในสิงห์ ในการไปบ้านฆ่าปลาใหญ่ไปสวรรค์เ น, นี่เพราะว่าท่านผูนี้มีนามว่าสุปฏิจิติะเพื่อพรบุตรเป็นนักเป็นเทวดาที่มีเหมือนเทวดาทั้งหลายเราะว่าการเทวดาเขกล่าวว่าคนที่จะเป็นเทวดาต้องจ้างความดีมากแต่ท่านความชั่วมากสร้างความดีน้อยความทั่วก็จะล่ะาเสียาบภูมก่อน แล้วผลความท่วมหมดทิ้งจะไปสวรรค์เพราะว่าเทวดาอางค์นี้ไม่ใช่อย่างนนต้สร้างความท่วมมาท่วมมาแตสร้างความดีน้อยความดีล่ากขึ้นไปสวรรค์ก่อนขั้นถึงสวรรค์แล้วขั้นจะไม่ยอมลงนรกเมื่อพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฟังเทศกบเดียวตน็นใบโสดาจะดีผล เร่อความว่าบาปอุปสงคที่ท่านทำไปแล้วนั้นไม่เกิดผลกับท่านเลยนี่เป็นในความไม่ย่อในความโดยพิจารณาจะไม่พิจารณามากเพราเวลาไมาจ่จำกัดจะไล่ฟังตามนี้ความมิโยว่ามา อ, องสนเดชเีจินโอสีบริ ม, า, า, มา ร, ราชัญดาสมาชนพุทธเจ้าหลังจากฉันแดงยามมุขปริหารมาวันสึน้นปีท่ห้าเดือนแด ที่เมืองพาลานาสีแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑตเจก็ทรงย่างธรรมะเยียดเหียบรอเขาอยู่คันทรและกะหยวดบแจ๊เขาสมเด็เนี่ยก้าทีเข้าหนึ่งก็ถึงบรรดุกมพรชิดาเอาเป็นอนาท่าันราวดึงนี้อยู่สมเด็จพระบรมโลกันหนาดก้าวจากวันนู้นไปแค่สามก้าวถึงบรรดุกมพรชิดาเเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาดสมเท่านอยู่ที่บรรดุกำพรชิดาอ่านแล้ว ในครั้งนั้นเมื่อเทวดามาประชุมกันหมด ก, ก็ปราบกดพระเย็นขาดเทวดายขั้นหนึ่งที่ไม่มาฟังเทศในตอนที่เดี๋ยวพระเจ้าเท่ก็มีเทวดาทายกขั้นหนึ่งจะมาสมพระทัยกินตั้งให้ท่านเราเป็นทเทวดาทายก <c oughs> มีท่านหน้าที่บอกกล่าวชาวบ้านไนะ้ได้ง่ายเลยล่ะบอกให้รก็ทำใจใจง่ายานะไม่เควรทำ <c oughs> <c oughs> เทวดาโอ้มันก็คล้ายคึงกันฟังเทศเขาก็เลยเจ้าไปคึ้นหนึ่งไปท่านก็ออกไปบอกืาวบ้านบอกพ่อเอ้แม่เอยเวลานี้สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์บัดชื่นแล้วในโลกเวลานี้พระองค์ทรงมาสมเด็จประทับอยู่ที่บันดุกบมภทิราอาจของท้ายโกสิสกัปติวราสทรงมาแสดงวรฏมรเทศนาโปรดขอบัญาเทวดานางฟ้าทันไร ที่ต้องการที่จะสร้างสมบัตบุบาร ม, มีให้ดีขึ้นกว่าเก่าก็ขอได้ฟังเทองค์สมเด็จตมาสมพรเจ้าที่มุขฝรสีดาท่านไปเพื่อวระกาดรอบบริเวนดวาวลิงให้กลัมาฟังเทศดาวดาวนี่ชื่อจริงว่าอะไรไม่ปรากฏในบาลีแตองค์สมเด็จพระจีนสีนให้นามว่าอากาสจารีเทพบุตร คำว่าการสัจารีเที่ยประวัติศาสจารีก็แปลว่าเกี่ยวไปยเกียแปลว่าเทวดาผู้ชอบของะนนายกาศเป็นกาศที่จะบรดาเทวดาเท่าไรแก่สถิทวดาพายกกรายกฏก็ในวาระที่สามนั่นการเดียวกาศท่านไปดยวิมายห้องไทยห้องไทยก็ไม่มีเจ้าของอยู่มาเป้าองค์สมเด็จพระบรมศูลกันหมดถ้ปรายกฏก็ไปพบวิมานหลังหนึ่งยังมีนางฟ้าเสียบพร้อบรบูรณ ท่านขยของนิมัยก็ยังอยู่ในนิมายท่านก็รู้สึกแปลกใจว่าเทวดาองค์นี้แล้วร่างกายมันจะตายฟังแล้วหูจะแตกทําไมแค่ไม่สนใจเรื่องบุญที่บุญแม้สายที่จิตใจเขาเทวดามีใจเป็นพิษจะรู้ความรู้หน้าอยู่เสมอก็มองไปดูเห็นนิมายของสุภติจตที่ระบุเต้าหมอง ถือไม่สดใสมั น, ม, ม, ม, น, ม, นมีมานอย่างอื่นมันมีมานอื่นๆดูเครื่องบรรดาศพราสุปฏิทิศเทศประเวทก็เศร้าหมองแปล น, นว่าความเศร้าหมองถ้าเกิดชิงแต่เทวดาองค์ใดตารรมเรวดานี่เทวดาก็ดีพรหมก็ดีถ้าคนตายจากเทวดาหรือพรหมก็เลยเกิดเป็นเออขอโทษคนตายจากมนุษย์เป็นเทวดาหรือมร เกิดไปเกิดวันไหนรูปร่างหน้าตาและขนาดเป็นยังไงผ่องใสขนาดไหนซคื่องชุดแบบไหนเจะต้องมีอย่างนั้นเล่าเวลาจะมีก็ถ้าความเพิงกุศลประดมมีต่อความรักศรีความผ่งใสจะมากยิ่งขึ้นไม่มีคำวมาเจ้าหมองอนี้ขำว่าหนึ่งเครื่องประดับเครื่องเป็นุดเจ้าหมองเครื่องประดับเป็นทิดเจ้าหมองก็ดีมีเหงื่อไหลทางรักแร้ก็ดีแสดงว่าถือวรนดาวนั้นจะต้องถึก เป็นัาเวดาจะ้องกิติรุณหนึ่งหมดบุญด้วนบารมีจองหมดอาหารที่หมดกาลังของทางกองการกุศลที่ให้แล้วโดยการมีสามเครื่องคิดเจหมอเป็นการมีสี่เงยไหลจกพระกระรการีห้าเทวดามีความโกรธฉะนั้นเด็กไเขาเปเลย่าวว่าเทวดาโกรธนนั้นเทวดาโกรธนนี้ทำคมนั้นโวยทงนี้ตายอย่าไปเชื่อเขา เทวดาแค่โกรธต้นจุดติดจะความเป็เทวดาคือตายจะความเป็นเป็นเทวดานันเอ่ยเป็นแม่เทวดาโกรธจริงไม่มีจะทำท่าโกรธอาจจะมีเมื่อองค์สมเด็จพระจีนสีตรงแนะนำเมื่อย่ามนี้และเทวดาทุกองค์ทราบเมื่อขณะกาสจาริเ <respuesta>. พ <fruit, S 5> ื่อประวุตเห็นนิมัยของเทวาสุปติีิตาเพื่อประวุเศร้าหมอง เป็นเครื่องทุกข์ก็หมองก็ทราบว่าพิวดาอวนี้จะต้องจุดติดเสียตายจากความมีวิวดาภายในเจ็ดวันจึ่ไม่รับเรืองถามว่านี่ใครกันเล่าขวิมานหลังนี้ท่านเมียตายภายในเจ็ดวันแล้วทําไมไม่ได้ตั้งความดีต่อเวลานี้เขาเด็กก็พููมีก็พ่ายเจ้ามาช่วยโปรดถึงบรรลุกําพลสี่อาวเป็นเป็นที่ประทับของข้าวโกศสกรเทวราชสุดนายของเรา ทำไมท่านเยวเาวาขวีมานิยึงนั่งจับเจ้าไม่สนใจกับความดีท้านเวยวเาว์ขวี่มานกำลังทวนทนความสุกในความเป็นตัวดา น, นางฟ้าก็บ้วยเครื่องพุษกับ้วยโซตุยอย่างเพื่อกันเมื่อได้ฟังเสียงท่านสุบเอออาการยจารีที่พระบุตรตกใจยังไม่มองตัวโอนอ๋ออือเครื่องพิษก็เราเศร้าหมองที่แล้วหรือ มองไปดูทางรักแรให้มีเหงื่ไหลทางแร่ถ้าโบสถ์เทวดาไมมีเหงื่อเลยก็รู้ตัวอย่าต้องตายจากความเป็นเทวดาตอนนี้เทวดาก็ดีผมก็ดีมีใจเป็นทิพย์เวลาที่จะตายจากที่นั่นจะไปเกิดที่ไหนนี่เขาทราบไม่เหมือนพวกเราเราเมื่ตายส่งเดชให้ไปงานนะไปงานนี่ตายแล้วอาจจะเป็นได้จะสีก็ได้ วันใด้ะสีบชิ้นนี้ลอาจจะไม่เป็นงาที่ยากอาจจะเป็นได้แตสีบชิ้นน้ข้าวก็ได้ใชไเรารู้กันไม่ได้วันใดจะเป็นอะไรเทิดทวาได้เขรารู้ถ้าเขาตายคราวนี้ใครจะได้เกิดเป็นอะไรก็ผลบุญผลกรรมผบุญผลบาปกระการในให้ผลท่าไหร่แค่นั้นท่านปฏิตินศาสตรเทวบทเรั่งศตร์ท่านจะต้องศึกษายิงเล่มมองดูสภาว่าั้นนข้านมา ก็าตายแล้วจะไปไหนแม่ก็ทราบว่าถ้าจุดสีแต่ความบริวารได้ถ้าไม่จุดสีนี้ก็เราเคลื่อนนะเคลื่อนจากความบริวารด้แล้วต้องไปตั้งตนโนนไปเป็นคู่บุญบารมีก็จะงาอยู่ที่เอเวจีมาห า, มารนรคติกลับ <c oughs> ะนะออกจากอเวจีมาหานรกต์้องผ่านนรกบริวารมีดีผม จากน <inaudible> ั้นก็ย่องกัมาขุมติดเจ็ดเขามีหกเขามีห <issions> ้าเขามีสี่เขามีสามเขามีสองเขาีชิ้นหนึ่งและก็ต้อง่าณิชย์มรดบาลจากผมและสี่ขุมและสี่ขุมต่างใช้เวลาหลายแสนต่ปัจจุบันจากนั้นก็มาตกชั้นตกเริมืารวมยมารกอีกสิบขุมครบคนใช่นจากมารวมยี่มรกสิดผมมาเป็นปดอีกสิบสองเจ้าพวก จากเวลลก็มาเซลลสุรกายครบส่วนจากเซลกายมาเป็นสถิฐานครบไม่รู้ปีกันกับเดือสงไขยกับจากนั้นคนจากนั้นแล้วมาเกิดเป็นปดิฐานมาเป็นแหวงห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติคนจากนั้นแล้วมาเกิดเป็นคนเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติเป็นคนหู่นหกห้าร้อยชาติคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติ อันนี้สงสมบูรณ์แบบพรบถ้วนบ ร, ริการมูความชั่วแต่เรามองดูไปไอ้ผลที่มันจะเกิดจากเราคราวนี้เนะี่ยมันมาจากอะไรให้เราทราบได้รงเป็นทุศตอนนั้นว่าที่ผลที่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าในสมัยที่ราเป็นคนในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธสุภพุฒิเจ้าสมัณะว่าพระพุทธเจ้าเวลานั้นเราเป็นเกิดเป็นคนไม่สนใจกุบบ ร, รมี แม้แต่องคเสนบไปกินเงินถือเดินบนสมบัติจุดบ้านของเราทุกวันเราก็ไม่สนใจไหวเราก็ไม่ไหวนั่ถือเ้าก็ไม่นั่ถือเทศล้วก็ไม่ฟังไม่สนใจทั้งหมดต้องการอย่างเดียวคืออาชีพปกติเพื่อปานารีบาตทำปานารีบาตแตงกิากรรมมันดีไม่ละมันละไม่ถึนแรกแค่นั้นถึงห้าทั้งหมดครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ยมีเขาไปขายครบจะไม่ใช่ แกมันยัดีไม่พอมันยังเหลืออีกบ้างแล้วนอกจากจว่าตายครบแล้วก็มีอันหนึ่งที่ทํำรู้หนวกตาบอดก็คือว่าเวลาดีก็ทํา บ, บุญกันไปส่งเสียงกรกบุญกรกบสนอย่างไรคนดีก็นั่งฟังเทศก็จะมีคนนั่งคุยทำลายสะเทือนพันขาโอ้ยตายไปแล้วหูห้หนวกห้าร้อยชาติเราต้องไปตกดมรกก่อน ที่ตาบอดห้าร้อยใช่ก็เพราะว่าเขาทำบุญมาบอกบุญเห็นแล้วแปลงทำอะไรเห็นเนี่ยตองเป็นคนบ้าห้าร้อยใช่พราเดือนธันาเมรายเป็นปกติเนี่ยต้องเป็นง่อยห้าร้อยใช่ก็เพราะโทษแต่คนทุ่งตาหมิ่นปานาดีบามาให้ผล น, นเป็นแล้วเป็นคนแล้วมันยังตามมาเล่งนงานมันอย่างห500 500้าร้อยห้าร้อยใช่พอตั้งกาบแบบนี้นนที่มันไม่ไที ตอนแรกเราเป็นเทวดาก่อนาาก่อนงงงลงมาลกก่อนสมัยกรรมนี้พรเป็นผลอะไรก็ทราบจากผลแห่ความมัเป็นคิดค้นใจว่าก่อนที่เราจะตายเวลานั้นเราเป็นคนจนพามบิ่เบนินและทำลายสิ่นทุกขอ้อแต่ด้วยว่าเราไม่ทำบุญจึงถูกสนุนย่ยเวลาใกล้จะตายผานะดีข้ายาบุตดี มีเงินมากเวลาจะตายจริงๆทุกเวทนามาันครอบงำจักมันปวดไปทั้งตัวทั้งปวดทั้งอื่นทั้งเสียดทั้งแน่นหาความสุขไม่ได้เลยวันนั้นก็ปรากฏว่มามันนั่งนึกในใจว่าโอ๋เนอเวลานี้คันยายก็ดีบทที่ใดก็ดีข้าวท่าจิ้งไพรก็ดีนั่งล้อมเราทั้งหมดทั้งมดแล้วก็ทั้งหมอนะมีมดแต่ละมดมั น, มมนคอยตามความกินนะ ถาหมอมารักษายังสมหมอรกษาไม่หายหมดมตุกตัดไหนจะงานจะขัดคอหรือแก้แกทก่อนนะหไหมมีแต่เราต้องหมอมานลี้งยงพยาบาลให้เพื่อจงการม่หายจากโรคแต่ว่าอาการระมันจะมาถึงวาระที่จะต้องกลจะมาถึงจะเยะียวยายาังไงก็ตามนมยอมหายไม่ยอมยมัรเทาทุกเวรทนามันดูด่านหนดกใจก็มันหงุดหงิดใ จ, ใใจว่าะทรบทุกักตา่างไหลเรามีมากไม่ได้ช่วยเราเลย บทญัญญ า, อ า, ววาของเราต้องมีก็มาได้ช่วยบเทาความทุกข์ขวงเราเวลานี้เราไม่มีใครเป็นที่พึ่งเขาเลยกันว่าเขาพุทธเจ้ใจดีเนี่ยคนที่ไม่ทุกข์เขาไม่ได้ถึงพระนะพระนี่เมันโทคดีแบบเนี่ยแล้วกราบวัดมันหมด่างไรแมวห้าหมาหกเขาไม่เลี้ยงที่บา้านแลนหาไปยังไรเพราก็กรอยวัดเห่นไหมไอ้ผีตายที่บา้านมันเหมือนบา้างแค่มาัด ว่าไม่ดียางไงเอ้รตาสุปฏิทิศาเทพบุตรเอที่เกน่าผู้ใดจะเอาใจดีเ้าเรีกว่าองค์สมเด็จพระจมพลีเราสมเคาะไม่เรียกว่าใครมีด้วยตัวถ้าหาพระองค์ไม่ถึงองค์แล้วพระองค์ก็สวยตอนนั้นแกเดินก็ไม่ไหวลุกก็ไม่ไหวยังได้ใชรกาลังใจคิดว่าองค์สมเด็จเคยจมใจโรไม่ขาดกันไดาสมาแล้วก็ได้จ้าอยู่ที่ไหน เวลานี้ข้าพุเจ้าขอพระหาตถ์าวนาที่คุณพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดมาทรงเฉพาะข้าพุทเจ้าให้กายจริทุกข์ภานาเียงแค่ก็ดังนี้เรียกวาวนากันตายแต่ก็อยาลืมว่าวันดาจงบัรดาจำพุทธเบรคกันหลายการนึกถึงเราพรเจ้าจะดีนึถึงเราทาก็ดีนึกถึงเราสก็ดี ที่จะเรียกไว้ว่านิสติสาหน้ากายคือพุทธานสติพันมานิสติสังขานิสติอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อการนึกถึงสิง่งที่เคยได้รัาด้วยสอลานสติใ น, นต้นทางการเวจรัที่เรียกถึงว่าจารานสติงานที่ท่านทาในวันนี้เป็นเรื่องว่าข้ารู้ถึงอย่างไดอย่างหนึ่งที่ระเจ้าบอกว่าจิตของส้วยจิตเป็อุป กามีองค์สมเด็จพระทศพลนั้นบักว่าจิตเตปริทเตสุขปิปาติตังขาเอา่อนยะตายด้่จิตน้อมเึงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งทุกคนนั้นไปสู่สุขปิแต่ไมตถึงพพุทธเจ้าจับเป็นพุทธานุปสติคนดีในเวลาไม่ใกล้วาระตายไม่ไสมาม่มาเมตมาเมตไส่าพระพุทธเจ้าช่วยหายปวดก็เลยหายจริงๆพอตายแล้วก็หายปวด แกก็ตายจากความเป็นคนเพราะจิตคิดไม่ถึงพุะเจ้านิดเดียวตนเองผลนั้นนี้เป็นปัจจัยให้เกิดแกโจทย์เป็นเวดาบป็นสวรรค์ชนดาวเรืงกับเทวโลกมีริมานทองคำเรื่องที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนีด้วยอำนาจผู้ชายในพรสติกรมฐานอันนี้การที่บรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านมาทาบนวันนี้มีอนุรสปิทงตงหลายอย่าง หนึ่งพ er ุทธานุสตินำมาพระความเคารพในพระเจ้าไหว้พระพุทธดีลสองทมานุสติพอใจในพระธรรมเป็นธรรมานุสติร้าตั้งใจจะทำทานตั้งใจจะรับศีลในจิตเป็นธรรมได้ว่าธรรมานุสติถ้าต่อมาได้สมาทานศีลเป็นสังขานุสติเป็นจศีลานุสติการเครพในพระสงฆ์เป็นสังขารนุสติพอใจในศีลเป็นศีลานุสติ พอใจในการบริจาคทางกรรมราปรสงบ์ันเวลานี้เป็นจากานุสติถ้าใครที่นั่งฟังเท้เวลานี้ต้องการบรรลัยธรรมด้วยฤาษีอุปสมานุสติเอื้องความมาทุกท่านมีเือมนุสติที่ดีประจำใจดีกว่าสุปฏิทิศเพื่อระบุตรดังนั้นจิตใจของท่านดูเป็นกุศลนี่แค่มกุศลใช้เวลามากสุปฏิทิศเพื่อรบุตรเาใช้เวลานาน สำหรับสุปฏิทิศเทพบทเร็วมันนานมาดูนิดเดียวไปสวรรค์ท่านเว่าดึงได้สํหหาหรับผู้ท่านอย่างไรก็ควรจะมีความพอใจว่ากรรมใดที่สุปฏิทิศเทพบทได้ไปสวรรค์อย่างน้อยที่สุดจะทำได้กรรมนั้นไม่ได้ดีกว่าเ่าเรื่องไม่ท่านต่อไปเรื่องไรแปดเจ็ดนาทีเป็นมันว่าเมื่อท่านสุปฏิทิศเทพ บ, บุตรจากอย่างนี้ก็ตกใจนี่ล่อเดียวมันไหลแค่แกแล้วต่อมาไหลท่วมตัว จึงอกกับท่านนายกาสจารีที่บุตรว่าท่านเราแย่แล้วเชื่อเราด้วยนายกาศจารีที่บุตรท่รู้สุพติทุกานึกถึงเรื่องอะไรท่านก็บเรื่องนั้นแต่ก็บอกว่าฉันจะเกดไดแค่แกในชื่จม่ได้คนนืเชื่อได้แต่นายพวกเราคือพปะินทรนายก็ไปหาพปอินทร์อินทร์ก็บอกว่าฉันเป็นนายแกก็จริงแต่ฉันกแค่เทวดา ฉันช่วยไม่ได้คนที่ช่วยได้ต้องมีองค์เดียวคือองค์สัตว์สมหมายสัพพตเจ้าเวลานี้อยู่ที่บรรดุสัมโูรีลาอ่าก็พายจะไ่พ่อสตสมหมายพระบรมโลกก็ไม่ขอรับเร็วๆหน่อยเพรเวลามันจะหมดลหลังจากนั้นไม่พ่อพระเจ้าแล้วพระอินทร์ก็ฝากทูลให้ทรงทราบผู้มีพระทเจ้าทิศว่าถ้าเราเชื่อในวิีันจะมีผลไหมเราเจ้าว่าวิถีพันไม่มีผล ถ้าเทวดานี้จะหมดยุติสตแล้วก็ต้องไปอเวจีมาคุณรบก่อดยังไม่พิจารณาว่าจะเทศหรืออะไรดีสมเด็จพระญาติสีก็สงสัยว่าเทวุณหิตทธิชัยจะเพ่เป็นที่พอใจของบรรดาเทวดาองค์นี้ขอเทศจบเธอที่จะเป็นประโสดาบันถ้าได้เป็นประโสงค์ดาบันเธอจุสติเ้อก็เกิดทันทีเป็นเทวดาต่อไปกรรมใหญ่ที่สรางมาแล้วก็ต้นจะไม่มีผลสําหรับเธอ จะมีทางสุดเดียวก็ก้าหน้าโดยสู่เข้าไปหาวิทญานหลังจากนันองค์สมเด็จพระที่เปานมาในกรุงเทศอุโมงค์ปรีชาโสตเมื่อเจ้าจุดท่นสุปฏิสีเทื่มะมุกก็สนุกโโสดาปฏิผกล้จดสิเสียกายจากความในเชาวเดี๋ยวนั้นเวลาพอดีแล้วก็เกิดเดียวนั้นคนที่จะรู้ก็มีสามท่านคือหนึ่งทศกัณฐ์ว่าท่านสุปฏิสีตจุดสิ และองพระอินเพราะว่าท่านเป็นเบญสูตดาวันและก็ตัวสุปฏิจิตาที่บรพติเพราะว่าการตายมันแม้เดียวเหมือนกันหลัก็พิสดารพิพิพัฒน์มันก็ลืมขึ้นมาเั้นใ่การจุดจิตเขาเทวดามีสภาพเป็นจุดิัเกิดพัก่ที่่วนความนาการที่นาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเล่าสุบรรดาเป็นพุธเบย์ตกใจจเป็นเครื่องเป็นการบรรเากาลังใจของบรรดาท่านพุทธบริใั ว่ามีหลายท่านที่มาจะรบกว่าาความชั่วคือบาปอกุศลเราทำมากความดีทำทำน้อยอย่างนี้เราจะไปอีิภานได้ยังไงก็ขอบอกตัวอย่างที่เย็นเล่าจะบอกให้เฉยเฉยเพืก็จะไม่เข้าใจถ้จาดูตัวอย่า ง, งาสาุปฏิปทาพิรุษความดีเข า, ม, ม, า ม, มีนิดเดียวแต่ว่าเขาเกาะดีใหญ่คือพุทธานุสิสตมฐาน มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เขาไม่เกิดเนาวดึงไคนใดที่มีพุทธานสติสมาฐานใจันใจที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าคนนั้นจะไปในทไหนก็ตามที่จะไม่พาดจะองค์สมเด็จตุสมาเสือืพุทธเจ้าเมื่อเกิดจิพลาดจริงาก็ต้องทนอยูพุทธเจ้าตลอดเวลางั้นขอบรรดาจากพุทธบริัททั้งหลาโดยทุนนายเราฟังเรื่องราวพระสมุติกีกาที่ปรแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายหนักใจเรื่องบาปกุศล คือตอนทำมาในการก่อนก็ฟังเรื่ององค์สมเด็จพระจินวรที่ทรงเล่าภายในตอนนี้ว่าการทําความดีจนึกถึงความดีไว้ตลอดกาลความดีนี่จะส่งผลให้ท่านอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีมากกว่าสมบุติปิกาที่ระบุก็จะเกิดเึ็นสวรรค์ขึ้นดาวอันดีสัตว์ทั่วโลกแต่จังเอื้อนนักาุญกาพิยไปนิพพานไม่มีในชาตินี้ไม่ช้าองค์สมเด็จพระจินวสีคือว่าที่อาริยะเมตไพก็ตั เมื่อแท้คืออาเดียมาใจใสเป็นมาแล้วท่านอยู่ดาวดิงนั่นแหละฟังเทศเจ้พุทธเจ้าจบเดียวก็ไปหลังไปถึงทานแต่ว่าถ้าบุคคลใดมีกําลังใจของท่านมีความเชื่อมแขงคอจะจะจับบาปอุปสนตั้งแต่ชาตินี้ก็ได้คือบาปใดๆที่ทําแล้วในการก่อนในตามไม่ถึงพระพุทธเจ้าสอนแบบท่านนะว่าจงอย่าตามไถึงให้ตั้งนมมานโนกิทานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว่าเราจะมีความวเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงและเราจะทรงศรีห้าโดยสุดจริงนับตั้งแต่วันนี้ไป ย, ย, ย, ย, ยิ่งกว่าจไปในกําลังใจของบรรดาธรรมทธบริษัทวัตงหลายตั้งใจว่าถ้าตายคราวนี้เชื่อความเกิดเป็นมนุษย์จนมีสวรรดาก็ดีเป็นพรดีไม่เป็ที่ต้องการของเราเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน ให้กาลังใจทตั้งอย่างนี้ไว้จริงศินบริสุทธิ์จริพระพุทธเจ้าทรงเรียกท่านคนนั้นว่นนนาพระโสดาบดิผลและอำนาจด้วยสัมผัสการผลเอามาตั้งแต่ยังไม่ตายดีกว่ากรันไึ้นเลยซึ่งขอไม่ยากเหนืออิงานอิงงานนี่เป็งไงไห น, หนไม่ได้พระโสดาไดีชอบโปบดีนั้นว่าการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้หวังว่าคงบรรดาจัุทวรริษัตว์ควจะเข้าใจ ความมุ่งหมายเขาองค์สมเด็จไปจอมใจปรมาารชนดาที่ตนรู้มรรคผลมาแล้วองค์สมเด็จเขาไปที่แก้วทรงตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพระเริการให้มือความสุขเปิดจิจากความทุกข์กได้ว่าท่านอย่างไรแล้วบริจาสารว่าขาตาโรจะขายพระตาแต่ขายเขาจะเป็นเพียงผู่บอกเท่านั้นถ้าบอกแล้วท่านไม่ทำผลมันก็ไม่เกิดท่านใด ถ้าทำมาเต่โฆษณาก็องคสมเด็กใจจอมใจที่นำมากราแล้วมาขี่ว่าสุปฏิทิศเป็นพระบุตรเป็นพรโสดาบันไดก็เพราะมีกําลังใจในถึงพระพุทธเจ้าสุปฏิทิศเป็นบุตรก้างบาปโกรธสนุ่มไมตลอดชีวิตแต่ตอนใกล้ตายคิดถึงพระพุทธเจ้าหน่อยหน่อยเดียวก็เป็นเทวดาไปเป็นเทวดาและยังพบพระพุทธเจ้าตามเที่ข้างเดียเป็นพรโสดาบัน ถ้าบรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านมีความมั่นใจในความดีของท่านโดยจิตในนอมเป็นัอุศลเศ่าืนนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมดัพระอริยสงฆ์นึกถึงสี่งยุเคยได้สาธธรรมในการยุติทนเคยห้แล้วก็ตั้งใจรักษาสิ่อบริสุทธิ์ตั้งใจสมบูสุควจุดเดียวคือพระนิทานเพียงเท่านี้กำลังใจของบรรดาเจพุทธบริษัททุกท่านค่อยถึงความเป็นพระอริยะเบ้้นคือพระโสดาบันผล ถ้าเราบันดาลเจ้พุทธสาทีจะชนมองดูเวลาแลนะนาทีเดียวก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เรี่องเท่านี้ในที่สุดกาธรรมเทศนาเนี่ยธา ม, มามภาพ ข, ขอตั้งสติญาดิพานอ้า ง, งคุณประสีละจันท์ไกรในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสันรัตนะจนสามเดียกันขอช่งหนงบรดาน้บนับนดาจ้พุทธวรสสุกสั้นมีวยความตกสวัสดที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผนผล และจงเจริญไปก่เจาะสูรภพิสพรชัยทั้งสี่เการมีอายุวันน่าสุขาพละระปฏิทานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดขอได้ถึงนั้นสงการปัทนายจุตุประการอาจจะมาภาพระทานมศาสนามาในกรรมระพายก็ขอยุติพระกระมธตูปีนาลงกองไว้เจ็ดเทียนกรมีเอวังก็มีพระกุศและเนีย